ทำสมาธิแล้วฝันไม่หยุดวันนี้มีหนุ่มคนหนึ่งมาถามปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อแล้วเวลานอนหลับลงไปมันฝันไม่หยุดตื่นขึ้นมาแล้วหนักหนักศีรษะต้องไปหาหมอก็เลยบอกว่าคุณอย่าไปทําอย่างนั้นสิที่มันรู้สึกหนักศีรษะนั่นก็เพราะว่า เมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณไปหวั่นวิตกว่าคุณคิดมากแล้วก็ฝันไปสารพัดสารเพความตึงเครียดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณตื่นนอนมาแล้วมันเกิดความตึงเครียดเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองในเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วมันจะผ่านของมันไปเอง สมาธิถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะเป็นอย่างไรปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปบังคับมันที่แรกมันจะมองเห็นสิ่งหยับๆยาบในเมื่อจิตยังไม่ละเอียดพอมันวิตกคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาเหมือนฝันแต่ถ้าจิตละเอียดแล้วมันไม่ส่งกระแสออกนอกมันมารู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว มันจะรู้เห็นอารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตตลอดเวลาถ้าหากว่ามันวิ่งเข้ามาในกายเนี่ยจะมองเห็นอวัยวะภายในกายเนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้หมดทุกท่านทุกคนก็หาไม่บางท่านพอนั่งสมาธิลงไปพอจิตสงบแล้วมันวูบมันวูบ ว, วููลงไปจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยอยู่ แต่บางท่านพอจิตรวมลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันจะผุดผุดผุดขึ้นมายังกับน้ำพุอันเนี้ยในคำพีท่านก็มีหลักฐานยืนยัน